ธรรมบทแปลเรื่องที่191เรื่องเมกธกะเสตถีข้อความเบื้องต้นพระปรมศ s a สดาเมื่อทรงอาศัยพัทยนาครประทับอยู่ในชาติยาวันทรงปรารบเมกธกะเสษถีตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสุดัสสร้างวัดจมันเยสร้างเป็นต้นตอน พระสัสดาเสด็จไปพัทยนครได้ยินว่าพระสัสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตตราปฐาชนบททั้งหลายทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปติผลของคนเหล่านี้คือเมรกาศเศรษฐีหนึ่งภรยาของเศรษฐีนั้นชื่อว่านางจันทพปทุมมาหนึ่งบุตรชื่อธ น, นชัยเศรษฐีหนึ่ง หญิงสไพชื่อนางสุมนณเทวีหนึ่งหลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งาตชื่อปุณณหนึ่งจึงเสด็จไปสู่พัทยนาครประทับอยู่ในชาติยาวันเมตกัดเศรษฐีได้สดับการเสด็จมาของพระสัสดาแล้วตอนเหตุที่ได้นามว่าเมตกัดเศรษฐีถามว่าก็เพราะเหตุอะไร เศรษฐีนั่นจึงชื่อว่ามินทากะเศรษฐีแกว่าได้ยินว่าแพททองคําทั้งหลายประมาณเท่าช้างมา้าและโคอุสภะชําแรกแผ่นดินเอาหลังดุลหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณแดกรีดที่ข้างหลังเรือนของเศรษฐีนั้นกาใส่กลุ่มได้ห้าสี่ไว้ในปากของแพทยเหล่านั้น เมื่อมีความต้องการด้วยเพษัตมีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นหรือด้วยวัตถุมีผ้าเครื่องปกปิดเงินและทองเป็นต้นชนทั้งหลายย่อมนำกลุ่มได้ออกจากปากของแพ้เหล่านั้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยผ้าเครื่องปกปิดเงินและทองย่อมไหลออกจากปากแพะแม้ตัวหนึ่ง ก็เป็นของเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปจําเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีนั้นจึงปรากฏว่าเมนทกระเศรษฐีตอนบุปกรรมของท่านเศรษฐีถามว่าก็บุปกรรมของเศรษฐีนั้นเป็นอย่างไรแก่ว่าได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี เศรษฐีนั้นเป็นหลานของกุตุมพีชื่ออวัโรชะโดยชื่อว่าอาวัโรชะซึ่งมีชื่อพร้องกับลุงครั้งนั้นลุงของเขาปราลบเพื่อจะสร้างคันทกุฎีเพื่อพระศาสดาเขาไปสู่สำนักของลุงแล้วกล่าวว่าลุงเราแม้ทั้งสองจงสร้างรวมกันทีเดียว ในเวลาที่ถูกลุงนั้นห้ามว่าเราคนเดียวเท่านั้นจกสร้างไม่ให้สาทานกับด้วยชนเหล่าอื่นจึงคิดว่าเมื่อลุงสร้างคันทกุดีในที่นี้แล้วเราควรได้ศาลารายในที่นี้จึงให้คนนําเครื่องไม้มาจากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่งบูด้วยทองคาต้นหนึ่งบูด้วยเงิน ต้นหนึ่งบูด้วยแก้วมณีให้ทำคือพึงบานประตูบานหน้าต่างกลอนเครื่องมุงและอิดแม้ทั้งหมดบูด้วยวัตถุมีทองคําเป็นต้นเทียวให้ทำศาลารายสำเร็จด้วยรัตนเจ็บประการแด่พระตถาคตในที่ตรงหน้าพระกันทกุดีในเบื้องบนแห่งศาลารายนั้นได้มีจอมยอดสมยอด อันสำเร็จแล้วด้วยทองคําอันสุกเป็นแท่งแก้วผลึกและแก้วประพานให้สร้างมนดบประดับด้วยแก้วในที่ท่ามกลางสาราลายให้ตั้งธรรมาะไว้เท้าธรรมะนั้นได้สำเร็จด้วยทองคาสีสุกเป็นแท่งแม้แค่สี่อันก็เหมือนกันแต่ให้กระทําแพ้ทองคํสี่ตัว ตั้งไว้ในภายใต้แห่งเท้าทั้ง4แห่งอาสนะให้กระทำแพ้สองตัวตั้งไว้ภายใต้ต่งสำหรับรองเท้าให้กระทำแพ้ทองคำหตัวตั้งแวดล้อมนดุให้ถักธรร ม, มาท้วยเชือกเส้นเล็กสำเร็จด้วยได้ก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกอันสำเร็จด้วยทองคำในท้ำกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกสำเร็จแล้วด้วยแก้มุกดาในเบื้องบน พนักแห่งธรรมบ้านนั้นได้สำเร็จด้วยไม้จันครั้นให้สาลารายสำเร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะกระทำการฉลองสาลาจึงนิมนต์พระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ6ล้านแแสนได้ถวายทานตลอดสเดือนในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรบรรดาภิกษุเหล่านั้นจีวรมีค่าพันหนึ่งถึงแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงแล้ว เขาทำบุญกรรมในการแห่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและในมนุษย์ทั้งหลายในพัทรกับนี้เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคา ม, มากในกรุงพารณสีได้มีนามว่าพารณสีเศรษฐีตอนเศรษฐีประสบฉาตกภัยวันหนึ่ง เศรษฐีไปสู่ที่บำรุงพระราชาพบปุโรหิตจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านตรวจดูเริกยามหรือปุโรหิตขอรับผมตรวจดูเราทั้งหลายจะมีการงานอะไรอื่นเศรษฐีถ้าอย่างนั้นความเป็นไปในชนบทจกเป็นเช่นไรปุโรหิตภายอย่างหนึ่งจกมี เศรษฐีชื่อว่าภัยอะไรปุโรหิตชาติะกะภัยท่านเศรษฐีเศรษฐีจะมีเมื่อไรปุโรหิตจะมีโดยล่วงไป3ปีแต่ปีนี้เศรษฐีฟังคำนั้นแล้วให้บุคคลทํากสิกามเป็นอนมากรับซื้อจำเพาะข้าวเปลือกแม้ด้วยทรัพย์ที่มีอยู่ในเรือน ให้กระทำฉาง 1,250 าฉางบรรจุฉางทั้งหมดให้เต็มด้วยข้าเปลือกเมื่อฉางไม่พอก็บรรจุภาชนะมีตุ่มเป็นต้นให้เต็มแล้วขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือในแผ่นดินให้ขยำข้าเปลือกที่เหลือจากที่ฝังไว้กับด้วยดินชาดท่าฝาทั้งหลายโดยสมัยอื่นอีกเศรษฐีนั้น เมื่อภัยคือความอดอยากถึงเข้าแล้วก็บริโภคข้าเปลือกตามที่เก็บไว้เมื่อข้าเปลือกที่เก็บไว้ในฉางและในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นหมดแล้วจึงให้เรียกชนผู้เป็นบริวารมาแล้วกล่าวว่าพอทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปจงเข้าไปสู่ภูเขาแล้วเป็นอยู่ประสงค์จะมาสู่สำนักของเรา ก็จงมาในเวลาที่มีพิกษาอันหาได้ง่ายถ้าไม่อยากจะมาก็จงเป็นอยู่ในที่นั้นเถิดชนเหล่านั้นได้กระทําเหมือนอย่างนั้นแล้วส่วนทาทผู้ทําการรับใช้คนหนึ่งชื่อว่าปุณ น, นะเหลืออยู่ในสํานักของเศรษฐีนั้นรวมเป็นคนห้าคนเท่านั้นคือเศรษฐีภรยาของเศรษฐีบุตร ของเศรษฐีบุษสพยของเศรษฐีกับนายปุณญนะนั้นที่ยังคงเหลืออยู่ชนเหล่านั้นแม้เมื่อข้าวเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมในแผ่นดินหมดสิ้นแล้วพังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาแล้วแช่น้ำยังอัฐภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเปลือกที่ได้แล้วจากฝานั้นครั้งนี้ภรรยาของเศรษฐีนั้นเมื่อความหิวครอบงำอยู่ เมื่อดินสิ้นไปอยู่พังดินที่เหลืออยู่ในส่วนแห่งฝาทั้งหลายลงแล้วแช่น้ำได้เข้าเปลือกประมาณหนึ่งอารหะกะต่ำแล้วถือเอาเข้าวสารประมาณทนานหนึ่งใส่ไว้ในหม้อใบหนึ่งเพราะความกลัวแต่โจรว่าในเวลาเกิดชาดกระพัยพวกโจรมีมากปิดแล้วฝังตั้งไว้ในแผ่นดินลำดับนั้น เศรษฐีมาจากที่บำรุงแห่งพระราชาแล้วกล่าวกับ น, นางว่านางผู้เจริญฉันหิวอะไรอะไรมีไหมนางนั้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่ว่าไม่มีกล่าวว่านายข้าวสารมีอยู่ทนานหนึ่งเศรษฐีข้าวสารทนานหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนพระยาฉันฝังตั้งไว้เพราะ กลัวแต่โจเรเศรษถีถ้ากระนั้นหลอนจงขุดมันขึ้นมาแล้วหุงต้มอะไรอะไรเถิดภรรยาถ้าเราจักต้มข้าวต้มก็จับเพียงพอกันสองมือ้อถ้าเราจักหุงข้าวสวยก็จับเพียงพอเพียงมื้อเดียวเท่านั้นฉันจักหุงต้มอะไรล่ะนายเศถี ปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีพวกเราต่อบริโภคข้าสวยแล้วก็จากตายหลอนจงหุงข้าวสวยนั่นแหละพระยาแห่งเศรษฐีนั้นหุงข้าวสวยแล้วแบ่งให้เป็นห้าส่วนขดข้าสวยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าของเศรษฐีตอนเศรษฐีถวายพัดแก่พระประเจกับพุทธเจ้าในขณะนั้น พระปเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคัณามาศออกจากสมาบัติทราบว่าในภายในสมาบัติความหิวย่อมไม่เบียดเบียนเพราะผลแห่งสมาบัติแต่ว่าเมื่อพระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายออกจากสมาบัติแล้วความหิวมีกำลังย่อมเกิดขึ้นเป็นราวกับว่าเผาพื้นท้องอยู่เพราะฉะนั้นพระปเจกับพพุทธเจ้าเหล่านั้น ตรวจดูฐานหน้าที่จะได้อาหารแล้วจึงไปก็ในวันนั้นชนทั้งหลายถวายทานแก่พระประเจกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วยอมได้สมบัติบรรดาสมบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระประเจกับพระพุทธเจ้าแม้นั้นตรวจดูอยู่ด้วยทิพยจักสุปตำริ่ว่า ชาตะกัยเกิดขึ้นแล้วในชมพูทวีปทั้งสิ้นและในเรือนเศรษฐีเขาหุงข้าวสุกอันสาเร็จด้วยข้าวสารทนานหนึ่งเท่านั้นเพื่อคนห้าคนชนเหล่านั้นจะมีศรัทธาหรืออาจเพื่อจะทำความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลเห็นความที่ชนเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาทั้งสามารถเพื่อจะทำความสงเคราะห์ จึงถือเอาบาทชีวรไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนข้างหน้าของเศรษฐีเศรษฐีนั้นพอเห็นท่านเขา้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราประสบชาติกภัยเห็นปานนี้เพราะความที่เราไม่ให้ทานแม้ในการก่อนก็แลพัฒนี้พึงรักษาเราไว้สิ้นวันเดียวเท่านั้นส่วนพัฒที่เราถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้า จะนำประโยชน์เกื้อกูลมากแก่เราหลายกฎกับแล้วนําถาดแห่งพัดนั้นออกเข้าไปหาพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนเมื่อท่านนั่งอธิษฐแล้วจึงล้างเท้าของท่านวางถาดพัดไว้บนต่างทองแล้วถือเอาถาดพัดนั้นมาตักลงในบาทของพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า เมื่อพัดเหลือกึ่งหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าเอามือปิดบาทเสียทีนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพระประเจกับพุทธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่เขาห่งไว้เพื่อคนหคนด้วยข้าวสารทน่านหนึ่งกระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งพัดนี้ให้เป็นสองส่วน ขอท่านจงอย่ากระทําความสงเคราะห์แก่กระผมในโลกนี้เลยกระผมใคร่เพื่อจะถวายไม่ให้มีส่วนเหลือแล้วได้ถวายพัดทั้งหมดก็แลครั้นถวายแล้วได้ตั้งความป ร, รารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าอย่าได้ประสบชาติกาพย์เห็นปานนี้ในที่ข้าพเจ้าเกิดอีกเลยตั้งแต่ปัดนี้ไปข้าพเจ้าจึงสามารถเพื่อจะให้พัด อันเป็นพืชแก่ชาวชมภูทวีปทั้งสิ้นไม่พึงทําการงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตอนเองในขณะที่ข้าพเจ้าใช้ให้คนชําราฉางหนึ้าฉางแล้วสนานศีรษะนั่งอยู่ที่ประตูแห่งฉางเหล่านั้นแล้วแลดูในเบื้องบนเท่านั้นทานแห่งข้าวสาลีแดงพึงตกลงมายังฉางทั้งหมดให้เต็มเพื่อข้าพเจ้าและผู้นี้ นั่นแหละจงเป็นภรยาผู้นี้นั่นแหละจงเป็นบุตรผู้นี้แหละจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แหละจงเป็นทาสของข้าพเจ้าในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วตอนทั้งห้าคนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นก็คิดว่าเมื่อสามีของเรา โทความหิวเบียดเบียนอยู่เราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคได้จึงถวายส่วนของตนแก่พระประเจกับพระเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญจำเดินแต่นี้ดิฉันไม่พึงประสบฉาตะกัภัยเห็นป่านนี้ในสถานที่ดิฉันเกิดแล้วเกิดแล้วอันหนึ่งแม้เมื่อดิฉันวางถาดพัดไว้ข้างหน้า ให้อยู่ซึ่งพัดแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นดิฉันยังไม่ลุกขึ้นเพียงใดที่แห่งพัดที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเป็นของบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมเพียงนั้นท่านผู้นี้แหละจงเป็นสามีผู้นี้แหละจงเป็นบุตรผู้นี้แหละจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แหละจงเป็นทาสแม้บุตรของเศรษฐีนั้น ก็ถวายส่วนของตนแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่พึงประสบชาติกภัยเห็นป่านนี้อันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าถือเอาถุงกะหาปะนะาหนึ่งพันแม้ให้กะหาปะนะาแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ถุงนี้จงเต็มอยู่อย่างเดิมท่านทั้งสองนี้แหละจงเป็นมารดาบิดา หญิงคนนี้จงเป็นภรยาผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพเจ้าแม้ลูกสะพ้ยของเศรษฐีนั้นถวายส่วนของตนแด่พระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจอเดิมแต่นี้ไปดิฉันไม่พึงพบเห็นฉาตะกัดไผเห็นป่านนี้อันหนึ่งเมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้อยู่ซึ่งพัด อันเป็นพืชแก่าชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นความหมดสิ้นไปอย่าปรากฏท่านทั้งสองนี้แหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้แหละจงเป็นสามีผู้นี้นั่นแหละจงเป็นทาของที่ฉันแม้ทาตของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแด่พระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจาเดินแต่นี้ไป ข้าพเจ้าไม่พึงพบเห็นชาตะกับไัยเห็นป่า น, นี้คนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นนายและเมื่อข้าพเจ้าไถนาอยู่รอยเจ็ดรอยประมาณเท่าเรือโกลนคือข้างนี้สามรอยข้างโน้นส0 0รในถ้ำกลางหนึ่งรจงเป็นไปนายปุ น, น, น, นั้นั้นปราธนาตำแหน่งเสนาบดีก็สามารถจะได้ในวันนั้นเดียวแต่ว่า ด้วยความรักในนายทั้งหลายเขาจึงตั้งความปรารถนาว่าคนเหล่านี้แหละจงเป็นนายของข้าพเจ้าในที่สุดแห่งถ้อยคำของชนทั้งหมดพระปเจกับพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วกระทาอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปเจกับพุทธเจ้าแล้วคิดว่าเรายังจิตของชนทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใส ย, ย่อมควร จึงอธิษฐานว่าชนเหล่านี้จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศดังนี้แล้วก็หลีกไปแม้ชนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่เที่ยวพระประเจกับพุทธเจ้านั้นไปแล้วแบ่งพัดนั้นกับด้วยพระประเจกับพุทธเจ้า500อยงค์ด้วยอนุภาพแห่งพระประเจกับพุทธเจ้านั้นพัดนั้นเพียงพอแล้วแก่พระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหมด ชนแม้เหล่านั้นได้ยืนและดูอยู่ที่เดียวตอนอา น, นิสงของการถวายทานก็เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้วภรยาเศรษฐีล้างหมอข้าวแล้วปิดตั้งไว้ไฟเศรษฐีถูกความหิวบีบขันนอนแล้วหลับไปเศรษฐีนั้นตื่นขึ้นในเวลาเย็นกล่าวกับภรยาว่านางผู้เจริญ ฉันหิวเหลือเกินข้าวตังก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมหนอพระยานั้นแม้ทราบความที่ตนล้างหม้อตั้งไว้แล้วก็ไม่กล่าวว่าไม่มีคิดว่าเราเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอกดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปสู่ที่ใกล้หม้อข้าวแล้วเปิดหม้อข้าวในขณะนั้นเองหม้อข้าวเต็มด้วยพัดมีสีเช่นกับดอกมะลิตูม ได้ดุนฝ่าละมีตั้งอยู่แล้วภรรยานั้นเห็นพัดนั้นแล้วเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วกล่าวกษะเว่าจงลุกขึ้นเถิดนายที่ฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นนั่นเต็มด้วยพัดมีสีเช่นกับด้วยดอกมะลิตูมชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทําชื่อว่าทานควรจะให้ขอท่านจงลุกขึ้นเถิด นายบริโภคเสร็เถิดภรรยานั้นได้ให้พัดแก่บิดาและบุตรทั้งสองแล้วเมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแล้วนางนั่งบริโภกกับด้วยลูกสะพ้ยแล้วได้ให้พัดแก่นายปุ่นนะที่แห่งพัดอันชนเหล่านั้นตักแล้วตักแล้วย่อมไม่สิ้นไปปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพพีคราวเดียวเท่านั้น ในวันนั้นนั่นแหละฉังเป็นต้นก็กลับเต็มแล้วโดยทานองที่เต็มในก่อนนั่นแหละนางให้การกระทำการโฆษณาในเมืองว่าพัดเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของเศรษฐีผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมารับเอามนุษย์ทั้งหลายถือเอาพัดอันเป็นพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วแม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นก็อาศัยเศรษฐีนั้น ได้ชีวิตแล้วนั่นแหละตอนเศรษฐีเลขนะไปเกิดที่พัทยนครเศรษฐีนั้นเคลื่อนจากอัถภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกในพุทธ ป, ประบาทการนี้บังเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยนครนแม้ภรรยาของเขาบังเกิดในสกุลมีโพครามากเจริญไหวแล้ว ก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นเองแพททั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วอาศัยกรรมในการก่อนของเศรษฐีนั้นพูดขึ้นแล้วที่ภายหลังเรือนแม้บุตรก็ได้เป็นบุตรของท่านเหล่านั้นแหละหญิงสะใภ้ก็ได้เป็นหญิงสะใภ้เหมือนกันธาตก็ได้เป็นทาตเทียวต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีใครจะทดลองบุญของตน ซึงให้คนชำมระฉาง1250ฉางสนานศีสะแล้วนั่งที่ประตูแง้นดูเบื้องบนฉางแม้ทั้งหมดเต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดงมีประการดังกล่าวแล้วเศรษฐีนั้นใครจะทดลองบุญแม้ของชนที่เหลือจึองกล่าวกับภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญแม้ของพวกเธอเถิดลำดับนั้น พระยาของเศรษฐีนั้นประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเมืม่อมหาชนกำลังแลดูอยู่นั่น แ, แลใช้ให้คนตวงข้าวสารทั้งหลายให้หุงเข้าสวยด้วยข้าวสารเหล่านั้นนั่งบนอาสนะอันเขาปูลาดแล้วที่ซุ้มประตูถือทัพีทองคำแล้วให้เป่าร้องว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดจงมาแล้ว ได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอาเมื่อนางนั้นให้อยู่แม้จนหมดวันก็ปรากฏเฉพาะโรงที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นก็ประทุมลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายจันทลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาพระนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทัพพีด้วยมือขวา แล้วถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์แม้ของพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายด้วยประการถึงนี้แลก็ประเหตุที่นางถือเอาธรรมกรดรองน้ำถวายแก่ภิกษุสงฆ์เที่ยวไปไปมามาฉะนั้นจันทลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางประทุมลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายของนางประเหตุนี้ ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทปทุมาแม่บุตรของเศรษฐีนั้นสนานศีษาแล้วถือเอาถุงกหาปณะพันหนึ่งกล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยกหาปณะทั้งหลายจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอากหาปณะพันหนึ่งก็คงมีอยู่ในถุงนั่นเอง แม่ลูกสะพ้ยของเศรษฐีนั้นประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือเอากระบุงข้าบเปลือกแล้วนั่งที่ลานกลางแจ้งกล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอากระบุงข้าเปลือกก็คงเต็มอยู่อย่างเดิมนั่นเองแม่ท่าของเศรษฐีนั้น ระดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเทียมโคทั้งหลายด้วยแอกทองคําด้วยเชือกทองคาถือเอาด้ามประตักทองคาให้ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วทั้งห้าแกโคทั้งหลายสวมปลอกทองคาที่เขาทั้งหลายไปสู่นาแล้วขับไปรเจ็ดรอยคือข้างนี้300รอยข้างโน้นสามอยในถ้ำกลางหนึ่งอย ได้แตกแยกกันไปแล้วชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของบรรดาพัดพืชเงินทองเป็นต้นตามที่ตนชอบใจจากเรื่องของเศรษฐีเท่านั้นเศรษฐีผู้มีอนุภาพมากอย่างนั้นสดับว่าได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าเราจะกระทำการรับเสด็จพระศาสดาออกไปอยู่ พวกเดรัจถีในระหว่างทางแม้ถูกพวกเดรัจถีเหล่านั้นห้ามอยู่ว่ากหาพดีท่านผู้เป็นกิริยาวาทะจะไปสู่สำนักของพระสมณโคดมผู้เป็นอักกิริยาวาทะเพราะเหตุไรก็ไม่ได้เชื่อถ้อยคำของพวกเดรัจถีเหล่านั้นเทียวไปแล้วถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งณนะส่วนสุดข้างหนึ่งตอน โทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายลำดับนั้นพระศาสดาตรัสอนุปพีคถาแก่เศรษฐินั้นในเวลาจบเทศนาเศรษฐินั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วกราบทูลความที่ตนถูกพวกดิรถีิกล่าวโทษแล้วห้ามไว้แด่พระศาสดาครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับท่านเศรษฐินั้นว่ากาพดี ขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มากย่อมโปรยโทษของชนเหล่าอื่นแม้ไม่มีอยู่กระทำให้มีราวกับบุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้นที่นั้นฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตรัดพระคาถานี้ว่าสุดสัางวัจมันเยสั่งอัตโนปันดุดสส้างเปรีสั่งฮิโซวัจญานี โอปุนาติย่าภูสังอัตโนโปนาชาเดติกลิงวกิตาวาสะโทโทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอื่นเหมือนบุคคลโปรยกแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนปรานก ปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นตอนแกะอักบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุดาสร้งความว่าโทษคือความพลังพลาดของบุคคลอื่นแม้มีประมาณน้อยอันบุคคลเห็นได้ง่ายคืออาจเพื่อจะเห็นได้โดยง่ายทีเดียวส่วนโทษของตนแม้ใหญ่ยิ่งอันบุคคลเห็นได้ยาก บทว่าปเปเรซังหิความว่าประหิดนั้นนั่นแลบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษทั้งหลายของชนเหล่าอื่นในท่ามกลางสง์เป็นต้นเหมือนบุคคลยืนบนที่สุดแล้วโปรยกแกลบลงอยู่ฉะนั้นอัตภาพชื่อว่ากะลิด้วยสามารถที่ประพฤติผิดในนกทั้งหลายในคํากล่าวว่ากลิ่งว่ากิตาวาสะโธ เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้ที่พอหักได้เป็นต้นชื่อว่ากิตวาในคําว่ากิตวานี้นายปรานชื่อว่าสะโตในคําว่าสะโตนี้อธิบายว่านายปรานนกประสงค์จะจับนกฆ่าย่อมปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉันใดบุคคลย่อมปกปิดโทษของตนฉันนั้นในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเมธะกะเศรษฐี